โหปาปัสะอุจยอยู่แปละวะ่าความสั่งสมบาปนำความทุกข์มาให้คนทำบาปหยาบคายจะไร้สุขมีแต่ทุกข์เที่ยงแท้แน่นักหนาสะสมบาปบาปกลับประทับตราลงอาญาตามกฎกำหนดกรรมใครจะช่วยใครได้เป็นภัยบาปละเอียดหยาบตรองตึกให้ลึกล้ำ รู้ว่าบาปชั่วช้าอยากกระทำจงฟังคําพระเถิดประเสริฐครันพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตจเจ้าอาวาสวัดช่างมักรุดและกวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อเอ่ยถึงวัดแล้วนี่ทุกคนก็ต้องนึกถึงผีทั้งนี้ก็เพราะวัดมีทั้งผีสด ก็คือศพที่ตั้งสวดรอเผาแล้วก็ผีแห้งคือผีที่เขาเก็บว่าเอ้เพื่อรอเผานอกจากนั้นก็ยังมีผีเปรตผีเฝ้าวัดแล้วก็ผีที่สิงอยู่ในวัดพูดง่ายๆก็คือเป็นแหล่งรวมผีทุกชนิดอันเป็นที่ไม่อยากพบอยากเจอของคนทั่วไปช่องนนทรีเนี่ยในปัจจุบันมีคลังน้ำมันมีบ้านเรือนมีสลัมมารวมกันอยู่แน่นขนาด มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อก่อนสงครามโลกที่เรียกกันว่าญี่ปุ่นขึ้นแล้วก็เปลี่ยวแล้วก็ห่างไกลาจากผู้คนก็ดูชื่อวัดเดิมก็แล้วกันชื่อวัดนางหนีขนาดนางยังหนีเตลิดเปิดเปิงแล้วชาวบ้านจะไม่หนีกันได้ยังไงต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นช่องนนทรีในที่สุดลุงริคนเก่าแก่ของวัดช่องนนทรี ตอนที่คุยกับคุณพดุงที่เล่าเรื่องเนี่ลุงรีนี่แกอายุ90ปีพอดีปัจจุบันเนี่ยคงไปสวรรค์แล้วแกบอกว่าเดินผ่านหลังวัดตอนค่ำๆน่ยมีสัตว์ให้ดูตั้งแต่กระต่ายงูจงอางแม้แต่ตะกวดบางทีก็โผล่มาให้เห็นก็พวกมันชอบกินศพเมื่อมีคนเอาศพมาฝังไว้ท้ายวัดมันก็แอบมาคุ้ยดินลากศพมากัดกิน กางวันก็มีพวกขี้ยามาสูบกัญชาสูบกระทอมแม้แต่ฝิ่นก็มีสาวแก่แม่ไม่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านจะคึกคักก็วันพระหรือว่างานเทศกาลธรรมดาเนี่ยวัดยังเงียบพระเนนก็อยู่กันสบายลุงริเล่า ว, ว่าพวกหนุ่มๆ น, นี้จะไปเกี้ยวสาวนี่จะผ่านวัดช่องหนนทีตอนกลางคืนต้องยกขโยงกันมาเพราะว่ากิจสั์ เรื่องผีดุของวัดช่องนนทรีเป็นที่เล่าลือโดยเฉพาะผีมุมกำแพงไม่ใช่ผีมุมตึกว่ากันว่ามันจะซุ่มอยู่ตรงมุมกำแพงวัดแล้วจะโผล่หน้ามาจะเอะ ก, กับคนที่เดินผ่านมาพอดีคือถ้าโผล่ออกมาแบบธรรมดาก็ไม่เป็นไรแต่โผล่มาแบบขาดขาดเกินๆบางทีก็ลืมเอาหัวมาเหลือแต่คอ บางทีลืมเอาลูกในตามามันก็โบหรือไม่ก็ลืมเก็บลูกในตาเข้าเบา้ามันก็เลยทะลักห้อยตองเตงลงมาที่หน้าอกกรอกไปกรอกมาทีนี้ก็วิ่งกันปาช้าแตกกัสิที่ชาวบ้านกลัวก็เพราะว่าผีที่วัดนีมันหลอกทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่สมภารเจ้าวัดที่มีคาถาอาคมก็ยังถูกมันลูปคมคาถามาแล้วเจ้าอาวาดรูปนั้นก็คือหลวงตาเบี้ยวผู้เรืองอาคม สมภารเบี้ยวไม่ปิดบังใครมีอะไรท่านก็บอกตรงๆวันนั้นชาวบ้านมาทำบุญวันพระสมภารก็ประกาศว่าวันพระหน้าให้เตรียมทำบุญอุทิศให้กับเจ้าวัดแล้วก็วิญญาณที่อยู่ในวัดเพราะว่าเขามาขอกับท่านตรงๆชาวบ้านสนใจหลวงพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เดินไปฐานที่ท้ายกุฏิสงอยู่ท้ายศาลาการปรเรียนพอเดินผ่านสาลาการปรเรียนไปก็ได้ยินเสียงแกรกแกรก ก็เลยแงหนะ้าขึ้นไปมองคิดว่าเป็นพวกขโมยหรือว่าพวกขี้ยามอุตริไปปีนหลังคาสะลาการประเรียนเล่นพอเห็นเต็มตาก็ท่องคาถาไม่ถูกเลยปรากฏว่าเป็นเงาดำดำกาลังเอาสองมือขวาดหลังคาสาลาการประเรียนจนกระเบื้องกระทบกันดังสนัน่นพอเห็นอาตมาจ้องเข้าก็เลยสำแดงให้เห็นชัดว่าเป็นใครหน้าตาไม่ชัดเจนแต่ตาโตแล้วก็แดงแฉเลยไม่ใช่คนแน่อ้อ ลองสูงยงนเอามือลูบกระเบื้องหลังคาสาลากันป ร, รียนได้แล้วก็เออมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะตอนนั้นอาตมาก็ไม่ไปฐานแล้วนึกคถาได้ก็วิ่งไปสวดไปจนขึ้นกุฏิก็เลยละระลึกได้ว่าเขาคงจะโอดอยากก็เลยมาสัดงร่างให้เห็นจะได้ทาบุญให้ไม่เป็นเจ้าของวัดก็คงเป็นเปรตที่มาขอส่วนบุญนะนะญาติโยมก็เลยช่วยกันทำบุญอุทิศให้ในวันพระต่อมา เปรตที่มาลูปหลังคาศาลาการประเรียนก็เลยเงียบหายไปหลังจากหลวงตาเบี้ยวมรณภาพไปแล้วเปรตก็หายไปจนชาวบ้านชักจะลืมก็ให้บังเอิญมีเรื่องผีหลอกคนกลางงานวัดแล้วก็หลอกตอนหัวค่ำซะด้วยเรื่องนี้ทําให้ชาวบ้านต้องทำบุญใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเสฐีอ่าแก่ตายเนื่องจากแกเป็นคนรวยลูกหลานก็จัดสวดศพถึงเจ็ดคืนมีมหรสพให้ดูฟรี โดยทางเจ้าภาพจัดมาแสดงมีหุ่นกระบอกประชันกันสองโรงพ่อขาแม่ขายมาขายกันแน่นวัดผู้คนหลั่งไหลามาดูงานวัดที่มีสวดศพเพราะว่าในสมัยนั้นการเล่นเนี่ยไม่ค่อยจะมีให้ดูฟรีกันบ่อยพระหล่อ ม, มีลูกศิษย์อยู่สองคนชื่อเจ้าเชื่อมกับเจ้าจิว๋วเมื่อเห็นมีหุ่นกระบอกประชันกันก็เลยพาลูกศิษย์สองคนมาดูพระหล่เดินนาเจ้าเชื่อมเดินตามเจ้าจิว๋วรังทาย เดินมาจนถึงสลาการประเรียนละวกมาทางโบสพอพ้นโบสก็จะเป็นสถานที่ที่มีการละเล่นพอเดินมาถึงกำแพงโบสก็เห็นมีโครงกระดูกมีเนื้อหนังกระรุงกระริ่งนอนควายห้างอยู่บนสันกำแพงเจ้าเชื่อมเห็นก่อนเนื้อสกิดพระหลำ่ำพระหล่ำหันมามองเจ้าเชื่อมก็ชี้ไปบนสันกำแพงพอพระหล่ำเห็นก็ร้องอีเจ้าโครงกระดูกนั่นก็เลยกระโดดลงมาที่พื้นแล้ววิ่งหายเข้าไปในกำแพงโบสต่อหน้าต่อตา เจ้าเชื่อมซึ่งต่อมาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดช่องนนทรีโดยบวชไม่ศึกเล่าว่าพอตอนเช้าพระหลัมก็พาเจ้าเชื่อมกับเจ้าจิ๋วไปดูที่กำแพงโบสถ์ด้านในที่เห็นผีวิ่งเข้าไปก็พบว่ามีช่องเก็บอัฐิผู้วายชนมีเขียนชื่อไว้ว่าแม่แตงกวาพระหลัมก็เลยไปบอกญาติให้รู้พอว่างญาติของนางแตงกวาผู้ตายก็เลี้ยงเพลพระทั้งวัดแล้วก็อุทิศกุศลให้ ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยปรากฏว่ามีผีมาหลอกคนอีกเลยเรื่องของผีที่มาหลอกหลอนผู้คนไม่ใช่มีแต่วัดช่องนนทรีแต่ที่วัดกลางสมุทรปราการก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต้นเหตุก็มาจากการมรณะภาพของเจ้าอาวาสวัดกลางแต่ว่าแต่งตั้งเจ้าอาวาสองใหม่ไม่ได้ญาติโยมมีความเห็นแตกแยกกัน ร้อนถึงท่านเจ้าคุณมหาวีรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรซึ่งรับผิดชอบงานการปกครองจากส่วนกลางก็เลยต้องมารักษาการก่อนรอจนมีเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านเขารับได้มาปกครองวัดแล้วก็จะถอนตัวออกไปท่านเจ้าคุณมหาวีรานุวัตรสำรวจวัดกลางก็พบว่ามีป่าช้าฝังศพเด็กทิ้งร้างอยู่ในโกดังเก็บศพก็มีศพไม่มีญาติเก็บไว้มากมายท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องก็เลย ให้ทําการล้างปา่าช้านําศพไม่มีญาติมาบําเพ็ญกุศลหรือกวดังทิ้งทําใหม่ให้สะอาดสะอ้านงานนี้ทางท่านเจ้าคุณท่านบอกว่างบประมาณไม่มีให้เด็กวัดและครูในโรงเรียนประชาบาลมาช่วยกันหรือกวดังเก็บศพตอนรือ้อกลังวันแสกแสกมีในเตียนสับ ป, ปะเลอที่มีฝีไม้ลายมือทางช่งางไม้อยู่ด้วยเป็นคนไปรื้อสังกสีลังคากวาดังโดยด้านล่างมีครูหมานหรือว่าสมานครูพละ กับนายเปลี่ยนเด็กวัดเป็นคนคอยรับสังกสีลงมาทีละแผ่นสองแผ่นพอรื้อได้ครึ่งดึ่งในเตียนก็เก๊เก๊กางๆไมย่ยอมส่งระเบื้องลงมาครั้นเร่งเข้าก็บอกว่ามีเด็กผู้ชายมันเดินพันแข้งพันขาพวกเองอยู่ก็กลัวว่าส่งไปแล้วพวกเองจะล้มก็เลยให้พวกเองไล่เด็กไปซะก่อนสองคนข้างล่างหัวหมุนเลยเพราะไม่มีเด็กสักคนก็ร้องบอกว่าไม่มีเด็กเด็กที่ไหนไม่เห็นสักคน นายเตียนก็ค่อยๆส่งสังกาสีลงมาจนหมดเมื่อรื้อหลังคาแล้วก็เฉลียวใจในายเตียนสับเบอร์ก็เอากุญแจไขประตูโกดังเข้าไปดูก็พบว่ามีศพเด็กใส่โลงผุผูไว้โล่งหนึ่งมีชื่อเด็กแล้วก็ชื่อญาติชัดเจนทางวัดไม่ได้แจ้งให้ญาติทราบเพื่อมารับก็เลยไม่ได้เอาศพออกไปที่นายเตียนเห็นก็คงจะเป็นผีเด็กคนนี้นั่นเองนายเตียนได้ยกโลงเด็กออกไปรวมไว้กับศพไม่มีญาติที่รอชะพนักกิจ ตกกลางคืนผลก็ตกท่านนายเตียนไม่เห็นผีเด็กโลงศพเด็กคงจะเปียกหมดแน่นอนนี่เขามาสมแสดงตัวให้เห็นเพราะเขาห่วงร่างที่เขาเคยอาศัยไม่อยากให้เปียกนั่นเองสําหรับเรื่องผีหวงที่หรือว่ามาขอส่วนบุญเนี่ยนายประเจยียดคงศาสตรานักเขียนเรื่องพระเกจิอาจารย์ในนิตยสารพระเครื่องเขียนมายี่สิบกว่าปีแล้วเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนะเขาเช่าบ้านอยู่ในสวนแถวหลังมพันสในซอยองครักษบางกระบือ เป็นบ้านที่อยู่ในสวนด้านหลังบ้านมีสะพานไม้ทอดข้ามไปยังมพันสี่แล้วก็เป็นทางเข้าออกของข้าราชการทหารในมพันสี่นั่นแหละออกมาเพื่อจะออกปากซอยองครักษเป็นทางลัดกว่าออกทางวัดประชาระบือธรรมกลางดึกคืนหนึ่งในประเจีดลงมาเข้าห้องน้ำด้านล่างได้ยินเสียงคนวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ มาหยุดหยุดยืนหอบให้ได้ยินอยู่หลังบ้านซึ่งตรงนั้นไม่มีที่ให้วิ่งเพราะจากสะพานไม้ก็เป็นสวนและจะต้องเดินผ่านบ้านเข้ามาขึ้นทางปูนได้ยินเสียงหอบอยู่สักพักก็หายไปรุ่งเช้าจึงไปสอบถามเจ้าของบ้านก็ได้ความว่าน่าจะเป็นวิญญาณของจ่าสวัสด์ที่แกขี้เมาคืนหนึ่งแกเมาแหม่แล้วเดินข้ามสะพานไม้ท่าไหนไม่รู้เสียหลักเอาหัวทิ่มลงไป แม้ว่าน้ําไม่ลึกแต่แกก็นอนหัวทิ่มลงมาในน้ําข า, าพาดตลิ่งตายพอเผาแกไปแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มีคนเห็นแกมาหลอกมาหลอนคือนั้นนายประเจดก็เลยจุดธูปหนึ่งดอกปักไว้ที่ตรงปลายสะพานแล้วบอกกล่าวจ่าสวัสดิ์ว่าหากต้องการอะไรก็ให้มาบอกในฝันจะจัดการให้พอตกกลางดึกก็ฝันเห็นจ่าทหารแต่งตัวเต็มยศมายืนที่สะพานบอกอับนายประเจียดว่า อยากจะสูบบุหรีไม่มีใครเขาทำบุญไปให้ไม่ขีดด้วยนะอย่าลืมขอแค่นี้แหละเพราะเล่าเนี่ยขอไม่ได้ไม่มีใครกล้าทำบุญให้ในายประเจตดก็เลยซื้อไม่ขีดห่อใหญ่ไปถวายพระพร้อมกับบุหรีอีกหนึ่งซองแล้วก็กรวดน้ำให้จ่าสวัสดิ์สามคืนต่อมาแกก็ฝันว่าแกมาหามาขอบใจแกบอกว่าขอบคุณมากตอนนี้มีสูบไม่อดไม่อยาก อาหารในญาติโยมเขาทำให้อุดมสมบูรณ์แต่บุรีเขาไม่ได้ทำพวกญาติก็เลยเอาบุรีมาจุดขโมลหนึ่งเอาเสียบไม้ปิ่งลูกชิ้นไปปักไว้ใกล้ๆกับปลายสะพานในแกนสูบทุกวันในประเจดบอกว่าตั้งแต่นั้นมาไม่ได้ยินเสียงคนวิ่งแล้วก็เสียงหอบอีกเลยครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าคนเราตายไปแล้วไม่สูนต้องวนเวียน เวียนเกิดเวียนตายใช้กรรมสมดังพระพุทธพจน์ทุกประการครับเรื่องของผีที่มีผู้ประสบพบเห็นและสัมผัสมาแล้วนั้นจะปรากฏเป็นหลายภาวะเช่นเห็นเป็นรูปร่างมีลักษณะต่างๆ เป็นคนก็มีเป็นสัตว์ก็มีหรือเป็นวัตถุแปลกแปลกก็มีบางทีก็มาปรากฏเป็นกลิ่นมีทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นสาบสางบางครั้งก็มาปรากฏเป็นเสียงให้ได้ยินผีหลอกที่มาปรากฏเป็นเสียงนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกมากเพราะเป็นการหลอกด้วยเสียงอย่างเปิดเผยแล้วก็มีพยานรู้เห็นหลายคนในจำนวนประจักษ์พยานที่ยืนยันเรื่องผีหลอกด้วยเสียงนี้มีพระคุณเจ้าพระภิกษุรูปหนึ่งยอมรับว่ามีจริงอ่า พระภิกษุรูปนี้คือพระมหาวิชัยวุฒสีโลวัดปักน้ำภาษีเจริญกรุงเทพครับเหตุการณ์ผีหลอกด้วยเสียงนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2500ที่บ้านของครูใหญ่โรงเรียนวงังพร้าวตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางชื่อครูพันบ้านหลังนี้เพิ่งจะปลูกสร้างเสร็จใหม่ๆอยู่ใกล้กับวัดแม่หลวงหลังจากบ้านปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครูพันกับครอบครัวก็ย้ายเข้าไปอยู่อาศัย อยู่บ้านใหม่ด้วยความเป็นสุขไม่กี่วันครูพันกับครอบครัวก็เริ่มไม่เป็นสุขเมื่อมีเสียงเคาะพื้นกระดานเรือนใต้ถุนบ้านดังก๊อกก๊อกอยู่เรื่อยเรื่อยตอนแรกครูพันก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยเถิดไปไกลถึงเรื่องผีเพียงแต่คิดว่าอาจจะมีท่อนไม้หรืออะไรสักอย่างกระทบกระแทกพื้นใต้ถุนเนื่องจากมีกระแสลมพัดเมื่อครูพันลงไปดูที่ใต้ถุนก็ไม่เห็นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดเสียงดังกล่าวได้ และเสียงเคาะใต้ถุนก็ยังได้ยินอยู่คราวนี้ครูพันคาดว่าจะมีใครมาหยอกย้ากลั่นแกล้งให้เกิดความสะดุ้งกลัวก็เลยคอยจ้องระวังตัวพอเกิดเสียงเคาะใต้ถุนบ้านก็รีบวิ่งลงไปดูแต่ครูพันก็ต้องพิสวงองงวยเพราะบริเวณใต้ถุนว่างเปล่าไม่มีแม้แต่งเงาของใครสักคนแอบเข้ามาในบริเวณนั้น เมื่อไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำไม้เกิดเสียงเคาะใตถุนบ้านแล้วก็ไม่มีคนแอบเข้ามากลั่นแกล้งแล้วอะไรกันล่ะที่ทำไม่เกิดเสียงประหลาดนั้นคราวนี้ครูพันและทุกคนในครอบครัวก็คิดไปถึงผีทันทีเพราะถ้าไม่ใช่ผีมาเคาะไตถุนก็ไม่รู้จะคาดเดาว่าเป็นอะไรแล้วก็เสียงเคาะดังกล่าวก็เกิดขึ้นเป็นเวลาใกล้เคียงกันทุกวันเสียงเคาะก๊อกกก็จะดังๆังหยุดหยุดไปเรื่อย บางทีก็เงียบหายไปเป็นชั่วโมงก่อนที่จะกลับมาดังก๊อกก๊อกใหม่คนในครอบครัวครูพันก็พากันหวาดผวาต่อเสียงเคาะที่ไตถุนเสียงเคาะนี้ดังขึ้นเมื่อไรต่างก็สะดุ้งชนิดสุดตัวเมื่อนั้นเสียงเคาะประหลาดนี้จะดังไม่เป็นเวล่ำเวลาขนาดค่ำคืนดึกเดินก็จะมีเสียงเคาะไตถุนบ้านจนไม่เป็นอันหลับอันนอนแล้วก็ไม่มีใครกล้านอนคนเดียวต้องมานอนรวมกันเป็นกระจุกในห้องเดียวกัน เรื่องผีเคาะใต้ถุนบ้านครูพันถูกนําไปเล่าให้เพื่อนบ้านทวงและครูพันก็ขอร้องให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันพิสูจน์เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่บ้านว่าใช่การกระทําของผีหรือไม่เพื่อนบ้านหลายคนก็มามาที่บ้านครูพันในตอนกลางคืนมานั่งรอคอยอยู่พักใหญ่ก็มีเสียงเคาะพื้นกระดานใต้ถุนบ้านได้ยินกันชัดเจนทุกคนเวลานั้นครูพันต่อไฟฟ้าโยงไปที่ใต้ถุนบ้านแล้วก็เปิดไฟสว่างตลอดเวลา ชาวบ้านที่ใจกล้าก็ย่องลงไปดูที่บันไดมองไปจนทั่วบริเวณใต้ถุนก็ไม่เห็นมีใครหรืออะไรมาเคาะทำเสียงดังได้เลยแต่เสียงเคาะก็ยังดังก๊อกก๊อเป็นช่วงช่วงชาวบ้านบางคนลองบอกให้ผีเคาะ ก, กี่ทีเสียงเคาะก็ดังตามจำนวนครั้งที่บอกเล่นเอาคนที่มาพิสูจน์ต่างขนลุกกันทุกคนแล้วต่างก็เชื่อว่าเป็นการกระทาของผีอย่างไม่มีอะไรให้สงสัยอีก ครูพันและครอบครัวอยู่บ้านนี้ด้วยความหวาดเสียวสะดุ้งกลัวตลอดเวลาเสียงเคาะดังมาจากใต้ถุนเมื่อไร่ก็พหวากันเมื่อนั้นแม้จะจุดธูปเทียนขอร้องไม่ให้ผีมารบกวนก็ไม่เกิดผลอะไรผีก็ยังเคาะใต้ถุนบ้านรบกวนอยู่ทุกวันครูพันลองทําบุญเลี้ยงพระเป็นงานใหญ่ที่บ้านแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ผีลึกลับเสียงเคาะใต้ถุนบ้านก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมในที่สุดก็ เชิญอาจารย์คารวาดผู้มีวิชาอาคมมาตรวจดูบริเวณใต้ถุนบ้านอาจารย์ก็ได้ทำพิธีบางอย่างและตรวจค้นอย่างละเอียดก็พบไม้เล็กๆท่อนหนึ่งบอกว่าผีได้ใช้ไม้ท่อนนี้ละ่ะเคาะพื้นกระดานใต้ถุนบ้านโดยวิญญาณน้องผีสิงอยู่ในไม้ท่อนนี้จากนั้นก็ทำพิธีเก็บไม้ท่อนนั้นไปเสียและนับแต่นั้นเสียงเคาะที่ใต้ถุนบ้านก็เงียบหายไปไม่ปรากฏขึ้นอีกเลย พระมหาวิชัยวุทธศีโลซึ่งขณะนั้นได้ไปปฏิบัติงานร่วมกับคณะสงฆ์ทำการเผยแพร่ศีลธรรมแก่ข้าราชการและประชาชนที่โรงเรียนวังเพราส์ครูพันและพระยาได้อาราธนาพระมหาวิชัยไปเยี่ยมที่บ้านของตนแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระมหาวิชัยก็ได้เขียนบันทึกรายงานต่อพระธรรมวรโรดมสังคมมนตรีเมื่อวันที่29มีนาคมพศ2500ไว้เป็นหลักฐาน เรื่องมีวิญญาณสิงสู่อยู่ในวัตถุเช่นสิงอยู่ในท่อนไม้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันเช่นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งลงไปอาบน้ําในคลองบางนาระหว่างอาบน้ําเห็นมีไม้ท่อนหนึ่งลอยน้ํามาก็เลยเก็บไม้ท่อนนั้นเอาขึ้นไปเก็บไว้ในบ้านตั้งแต่เก็บไม้ที่ลอยน้ํามาไว้ในบ้านผู้ชายคนนั้นก็มีอาการวิปริตผิดปกติขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุกล่าวคือแสดงกิริยาอาการคลุ้มคลั่งเหมือนคนบ้า บางครั้งก็มีสติพูดจารู้เรื่องรู้ราวดีบางครั้งก็อาเาว่าร้องโวยวายแทบจะต้องล่ามโซเอาไว้เมียและญาติผู้ใหญ่ก็เลยไปนิมนต์พระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณมารดน้ำมนต์พระอาจารย์ท่านก็เมตตารดน้ำมนต์ให้แล้วก็บอกว่าถูกผีที่สิงในไม้ที่ลอยน้ำมากระทําให้นำไม้ไปทิ้งน้ำปล่อยให้กระแสน้ำพัดพาไปตามยถากรรมเสียเมียก็ปฏิบัติตาม หลังจากเอาท่อนไม้นั้นทิ้งน้ำไปอาการวิปริตผิดปกติของผู้ชายคนที่ว่านั้นก็หายไปครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องที่คุณจำรัดเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปีพศส5 2 9นี่ิแกไปบวชเป็นพระอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ แต่ว่ามาจำพรรษาอยู่อำเภอท่าตะโกนครสวรรค์ขณะที่บวชอยู่นั้นพระจำรดก็ได้ศึกษานักธรรมชั้นตรีและพระนวะกะทำให้มีวิชาความรู้เกี่ยวกับธรรมะซึ่งเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ละเอียดยิ่งขึ้นก่อนที่พระจำรด จ, จะมาบวชนั้นก็ได้ศึกษาธรรมะมาบ้างพอสมควรการที่จะศึกษาธรรมะนั้นจะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นภายในใจก่อน ศรัทธาก็คือความเชื่อเชื่อว่าชาติน่ามีจริงสวรรค์นรกมีจริงผลของการทำบาปบุญมีจริงถ้าคนเรามีความคิดต่อต้านในสิ่งเหล่านี้ยากที่จะเข้าถึงธรรมะได้พระจำลัดจำมันสาอยู่ที่อำเภอท่าตะโอจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างที่บวชอยู่ก็ได้เห็นคนตายและตัวของพระจำลัดเองก็ได้ไปในกิจนิมนต์ในงานนั้นด้วยได้เห็นภาพคนเสียใจร้องหม่มร้องไห้ ขณะเดินรอบเมนของพิธีศพก็ทำให้เกิดความสลดสังเวชและในจำนวนศพที่พระจำรัดได้ไปสวดอภิธรรมและมาติกาก็คือศพของคุณอาลอยซึ่งเป็นญาติห่างๆของท่านก่อนที่จะเผาสัปเหร่จะเปิดโงศพให้ลูกหลานดูเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งศพอยู่ในลักษณะขาวซีดเพราะเกิดจากการใช้น้ำแข็งแช่ศพและผิวของเท้าก็ลอกออกเป็นแผ่น ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าการปลงอสุภกรรมฐานนั่นเองหลังจากดูศพแล้วทุกคนต่างพากันมาล้างหน้าเพื่อเป็นการไม่ให้ภ้าของศพติดตาความเชื่อของคนไทยภาคลางเป็นอย่างนี้และคุณป้าของพระจำรัสชื่อคุณป้าละม่อมเป็นพี่สาวแท้ๆของพ่ อ, อก็ไปดูศพคุณอารอยด้วยหลังจากดูเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้ากับเขาด้วยเหมือนกันแต่หลังจากนั้นไม่นาน ศพที่พระจำรัดไปสวดศพต่อไปก็คือคุณป้าละม่อมเป็นคุณป้าของท่านเองซึ่งแกป่วยจากการล้มศีรษะฟาดพื้นทําให้แกซุดหนักนอนอยู่ในโรงพยาบาลครึ่งเดือนแล้วก็มาอยู่บ้านได้อีก10วันแกก็เสียชีวิตสาเหตุที่แกล้มบอกเกิดจากการที่แกเสียใจแล้วก็โกรธลูกสาวตัวเองชื่อประนอมหนีตามผู้ชายซึ่งเป็นแฟนของประนอมเองประนอมเป็นลูกสาวคนสุดท้องคุณป้ารัก และห่วงมากศพของคุณป้าสวดได้สามคืนก็เผาหลังจากนั้นพระจํารัสก็เดินทางมาอยู่ที่อําเภอวิเชียนบุรีบ้างอยู่อําเภอท่าตะโกบ้างสลับกันไปหลังจากบวชได้สามพรรกก็สึกจากการเป็นพระมาใช้ชีวิตคารวะแล้วก็กลับมาทําไร่อยู่ที่ลบบุรีซึ่งอยู่ในเขตลํานาลายหลังจากที่ท่านบวชได้สามนรรษท่านก็สึกจากการเป็นสมณเพศ มาใช้ชีวิตคาราวะแล้วก็กลับมาทําไร่อยู่ที่ลบบุรีซึ่งอยู่ในเขตลำนารายนั่นเองคุณจํารัดได้ปลูกกระถ่มไว้ที่ปลายไร่หลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหลับนอนแต่คุณจยมรัดยังใช้ชีวิตปกติเหมือนกับตอนที่ยังบวชอยู่โดยการสวดมนต์นานๆแล้วก็นั่งสมาธิคือหลังจากศึกแล้วก็ยังไม่ทิ้งการปฏิบัติก่อนที่จะบวชก็เตรียมตัวที่จะศึกษาธรรมะให้เป็นที่กระจ่างใจก่อนถ้าศรัทธาไม่เกิด ก็คือจะไม่บวชคือทั้งชีวิตของท่านจะไม่ทิ้งธรรมะโดยเด็ดขาดว่าอย่างนั้นแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งซึ่งตรงวันพระสิบห้าคำพระจันทร์เต็มดวงหลังจากที่คุณจำรัดอาบน้ำกินข้าวปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จก็เข้านอนพักผ่อนเอาแรงไว้ทำงานในไร่พรุ่งนี้ต่อเวลาประมาณเที่ยงคืนแกก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงหวีดร้อง ฟังดูเหมือนกับเสียงจักจั่นหรือเสียงของงูจงอางแต่ว่าร้องอยู่นอกกระท่อมตรงหัวนอนของแก่แกก็ลุกออกมาดูเสียงร้องกลับดังสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ว่าคุณจำนัดไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเสียงร้องวีดวี ด, วดแล้วก็คุณจำนัดก็กลับเข้าไปในกระท่อมแล้วนอนต่อขณะที่กําลังเคลิ้มหลับนั่นเองก็รู้สึกเหมือนกับว่าถูกผีอัมกระดุกกระดิกตัวไม่ได้และสายตาของแกก็เห็นผีในลักษณะผอมแห้ง หนังหุ้มกระดูกมากดตัวแกอยู่แกก็พยายามดิ้นเพื่อให้หลุดแต่ไม่หลุดนะคุณจำรัดก็เลยท่องพุโทโธถึงได้หลุดจากการกดของผีได้ก็เลยรู้ว่าผีแพ้คำภาวนาว่าพุโทโธตอนนั้นแกก็ไม่มีความรู้สึกกลัวเลยรู้สึกเฉยเฉยแต่ก็มานึกดูว่าใครหนอมากดเราเป็นวิญญาณ้องใครกันแน่ต้องการอะไรแกก็เลยตั้งจิตอธิษฐานใครก็แล้วแต่ที่มาหาแกในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของใคร ส่วนบุญส่วนกุศลที่แกทำมาแล้วแกขออุทิศให้ขอจงอนุโมทนารับเอาไปเถอะอย่ามากวนเลยจะนอนพักผ่อนซึ่งก็ได้ผลแกก็หลับสบายยันเช้าไม่มีอะไรมากวนอีกเลยแกก็คิดว่าคนที่เป็นเปรตถ้าไม่ใช่ญาติจะมาขอส่วนบุญจากเราไม่ได้นะก็คือหมายถึงคนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตนั่นเปรตที่มาขอส่วนบุญอ่าเป็นใครนี่ก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ก็ทาให้คุณจารัดคิดถึงคุณป้าละม่อม เพราะพื้นฐานนิสยัยคุณป้าเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจในการทําบุญนิสยัยของแกชอบกินเหล้าซึ่งก่อนที่แกจะล้มป่วยนั้นก็กินเหล้าเมามาตลอดหรืออาจจะเป็นคุณป้าตายแล้วเป็นเปรตมาขอส่วนบุญแกก็เป็นได้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณจำหลัดเล่าให้ฟังครับเรื่องของผีเข้าผีสิงนี่อีกเรื่องหนึ่งครับเกิดที่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 ก็เลยเอามาถวายท่านหลวงพ่อจเจ้าวาดแล้วก็เอามาชงอจิบซะเลจะได้คุยกันต่อคงจะยาวหน่อยเออนี่เท่าพุงคนชื่อเสนอเนี่ยเป็นใครกันแน่ฉันอยากจะรู้จักไอเหนือมันตายไปนานแล้วครับเป็นลูกบ้านนี้ละมันมันตายโหงครับน่าสงสารเป็นอะไรตายละมีนายทุนมาเปิดบ่อนท้ายบ้านทำให้ชาวบ้านไม่เป็นอันทามาหากิน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 พอลุกขึ้นได้มันชักมีดซุยขึ้นมากระชับมือไม่พูดพร่ำทำเพลงละพุ่งปลายมีดเข้าหาตำรวจเร็วคนนั้นอย่างไม่สะทกสะทานปากมันก็บอกว่าคนอย่างพวกมึงหลวงเลี้ยงเสียข้าวสุกไปนรกสะเถอะพวกมึงระยะประชิดอย่างนั้นหลบไม่พ้นหรอกตำรวจเร็วคนเหนียวไกสารสามนัดเข้าที่ท้องของเจ้าเหนือจนไส้ออกมากอง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 คราวนี้กลิ่นหอมประหลาดก็ฟุ้งสาลาการประเรียนทุกคนทำจำมูกฟูดวิษแสดงว่าได้กลิ่นท่านมหาก็เพ่งดูด้วยตาในเห็นเจ้าเสนอเอาดอกไม้มาโปรยปลายไปทั่วสาราการประเรียนท่านมหาบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเจ้าเสนอไม่เคยเข้าสิงคนอีกเลยชาวบ้านก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มันทุกวันพระท่านมหารูปนี้ปัจจุบันมรณะภาพแล้ว